ทีนี้พระองค์ก็บอกว่าเห็นความจริงไหมทั้งหมดนั่นน่นะก็คือขันธ์ห้าหรือพูดพูดคือความจริงความจริงมันก็มีอยู่เท่านี้ความจริงอันนี้ก็คือขันธ์ห้าหรืออายตนะสิบสองหรือท่าสิบแปดนี่คือความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เป็นความจริงที่ที่เกิดเพราะปัจจัยถ้าดับเหตุดับปัจจัยได้ก็ดับดับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะ ความจริงคือขันห้าขันห้าเกิดเพราะปัจจัยถ้าดับปัจจัยได้ขันห้าก็ดับถามว่าถ้าสงสัยจะเกิดขึ้นสงสัยที่ไหนก็สงสัยในขันห้าสงสัยในเหตุเกิดของขันห้าสงสัยในความดับของขันห้าผู้ที่ดับความสงสัยได้ก็เพราะรอบรู้เหตุเกิดและความดับของขันห้าเนี่ยนะผู้ที่เห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นขันห้าเห็นเหตุให้เกิดขันห้าเห็นสมุทัยปัจจัยนิทานอาหารของ ขันห้าเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่าถ้าดับอาหารได้ขันห้าก็ดับทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้เพียงแค่เหตุเกิดและความดับของขันห้าว่าขันห้าเกิดเพราะอาหารเกิดขันห้าจะดับก็เพราะดับอาหารถ้าดับอาหารได้ขันห้าก็ดับพระพุทธเจ้ายังตรัสรู้อาหารของอาหารอีกเพียงแปลว่ารู้ปัจจัยของปัจจัยอีกทพียงอย่างเมื่อกี้บอกว่าขันอ่ะขันห้ามีอะไรเป็นเหตุเกิดบอกมีอาหารเป็น แดนเกิดถ้าจะดับขันท่าได้ก็ต้องดับที่อาหารพระพุทธเจ้ารู้เท่านี้ใช่ไหมบอกจริงๆแล้วพระองค์รู้มากกว่า น, นี้เยอะอย่างในกลุ่มหัวข้อว่าด้วยอาหารข้อ446หน้าหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าอันนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้อาหารก็เปรียบเหมือนว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าคนนี้มีใครเป็นแม่รู้ว่าแม่ของคนที่เป็นแม่คือใครแม่ของแม่อีกทีนึงคือใคร ชั้นใดพระพุทธเจ้ารู้จักขั 5, นธะเหตุให้เกิดขันธะปัจจัยของขันธะแล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดปัดจจัยอีกทีก็คืออะไรแล้วปัจจัยของปัจจัยอีกทีก็คืออะไรก็สาวๆต่อไปอย่างนี้ได้นะพราะฉะพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้อาหารสีเนี่ยนะเพื่อความตั้งอยู่แห่งสัตว์สัตว์ก็คือขันธะเนี่ยนะที่เกิดขึ้นแล้วเพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์คือขันธะที่สแสวงหาที่เกิดบ้างเพราะอาหารทั้งสี่ประการนี่แหละเพื่อ สงเคราะห์ขันห้าถ้าไม่มีกับพะลิงก라อาหารรูปจะเจริญได้ไหมถ้าไม่มีผัสสะอาหารเนี่ยนะเวทนาสัญญาจะเจริญไหมสังขารจะเจริญไหมถ้าไม่มีนามรูปวิญญาณอาหารจะเกิดขึ้นไหมถ้าไม่มีมโนสัญเจตนาอาหารพบสามจะเกิดขึ้นไหมเพราะฉะนั้นอาหารทั้งสี่ประการกับพระลิงก라 อ, อาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารอาหารทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้เกิด ขันห้าเพราะฉะนั้นอาหารเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่เพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ก็คือขันห้านั่นแหละขันอาหารกับผลิงกระหารเป็นที่หนึ่งนะกับผลิงกระหารทั้งหยาบทั้งละเอียดภาษสอาหารเป็นที่สองมโนสันเจตนาหารเป็นที่สมวิญญาณอาหารเป็นที่สกับผลิงกราหารนํามาซึ่งอะไร นำมาซึ่งรูปมีโอชาเป็นที่8ก็คือนำมาซึ่งรูปประคันอ่ะนะถ้าไม่มีอาหารรูปรูปของเราจะเจริญเติบโตอย่างนี้ได้ไหมเพราะครั้งแรกที่เกิดขึ้นในคันมารดาเนี่ยนะปฐมังการละลังโหตินิดเดียวเนีย่ยนะคันห้านิดเดียวเลยเนี่ยนะก็ค่อยๆเพิ่มเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับเนีย่ยนะก็อาศัยอาหารคืออาหารที่มาจากแม่ตนถึงข้าวสุก ข, ขนมสดที่บริโภครูปประกายเหล่านี้ก็เจริญขึ้นมาจนปัจจุบัน เป็นอย่างนี้เช่นปัจจุบันก็เพราะมีอาหารก็คือกับพลิงกระหารความรู้สึกทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมาจากภาษาาหารอาหารคือภาษาทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขและเป็นทุกข์มโนสัญเจตนาหารถ้าไม่มีมโนสัญเจตนาหารคือกรรมการเกิดในภพสามกำเนิด4ี่กติหวิญญาณทิติเจเกิดต่างก็เรียกว่ามีกรรมเป็นของของตนเป็นต้นจะมีได้ไหมเพราะมโนสัญเจตนาหารคือกรรมนั่นแหละเป็น ปัจจัยแล้วก็วิญญาณอาหารนี่แหละเป็นอาหารที่สำคัญที่นำมาซึ่งนามรูปใช่วิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดสลายตระนะเป็นต้นดูก่อนพิสูนทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้าเนี่ยเกิดจากอาหารสี่ใช่ทีนี้พระองค์สา ม, มารถแสดงว่าอาหารของขันอาหารของอาหารหรือปัจจัยของอาหารเพื่อแสดงสื บ, สบต่อไปอีกว่า ดูความพิสูจทั้งหลายก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสี่เหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นสมุทัยมีตันหาเป็นชาติมีตันหาเป็นแดนเกิดนันไถ้าไม่มีอาหารเนี่ยนะเออขออภัยถ้าไม่มีตันหาอาหารจะเกิดได้ไหม เช่นกะพลิงกระหารที่เป็นกรรมมชรูปเนี่ยนะตั้งแต่ถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยนะกกรรมมชรูปจะเกิดได้ไหมถ้าไม่มีตัณหาจะมีผัสสะไหมถ้าไม่มีตัณหาจะมีมโนสันเจรินาหารคือกรรมไหมถ้าไม่มีตัณหาจะมีวิญญาณได้ไหมเพราะตัณหานั่นแหละจึงเป็นเหตุของกะพลิงกระหานนที่กะพลิงกระหารที่เป็นกรรมมชรูปเนี่ยนะ เพราะกพิงกระหานนี่มีสมุทรฐานสี่เนี่ยนะที่อยู่ในกายเนี่ยกัพริงกระหานเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารตรงนี้เน้นพิเศษก็คือกัพลิงกระหานที่มีตันหาเป็นปัจจัยก็คือกัพลิงกระหานที่มีกรรมเป็นสมุทฐานเนี่ยนะเพราะตันหานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดผัสสะเนี่ยนะไม่เบื่อหน่ายที่จะเห็นที่จะฟังเป็นต้นเนี่ยก็เพราะมีตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งผัสสะตันหาเป็นปัจจัยแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันะ ตันหาเนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญของการของจักขุวิญญาณโโตวิญ ญ, ญาณคาณาวิญญาณชีวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณแล้วก็อะไรตันหาเป็นเหตุที่สําคัญของมโนวิญญาณของปฏิสนธิจิตภวังคจิตเป็นต้นเนี่ยนะถือว่าตันหานั่นแหละเป็นสมุทัยเนี่ยนะเดนเกิดก็คือสมุทยัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สําคัญมากของการเกิดขึ้นของอาหารสี่ทีนี้พระองค์ก็สืบสาวต่อไปอีกว่า อาหารสี่ที่มีต ah mais, ันหาเป็นปัจจัยแม้แต่ต <What are S 1> ันหาก็มีปัจจ <sy r Assembly> ัย <sy> ก็ตั้งเป็นคำถามว่าแล้วตันหาล่ะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดตันหามาจากไหนตันหาที่เป็นเหตุให้เกิดอาหารสี่มาจากไหนบอกว่าตันหาเหล่านั้นมีเวทนาเป็นเหตุนะตันหามีเวทนาเป็นสมุทัย ตัณหามีเวทนาเป็นชาติตัณหามีเวทนาเป็นแดนเกิดเนี่ยนะเช่นเพราะสุขสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้รับสุขเนี่ยปรารถนาจะให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปใช่ไหมถ้ามีทุกข์ก็ปรารถนาให้พ้นทุกข์เมื่อมีทุกข์ก็ปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขเมื่ออุเบขาก็ปรารถนาให้เป็นสุขเนี่ยนะก็ปรารถนาให้เป็นสุขเพราะเวทนาทั้งหลายจะเป็นสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาบางคนเขาบอกว่า อสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเนี่ยไม่สงสัยใช่ไหมแต่ทุกขเวทนาทําไมจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอังเกะวะคนหิวเนี่ยใครต้องการคนหิวกับคนอิ่มใครต้องการอาหารมากกว่ากันคนหิวคนเจ็บปวดกับคนที่ไม่เจ็บปวดเนี่ยนะใครต้องการความสบายมากกว่ากันคนเจ็บปวดต้องการความสบายมากกว่ากันเนี่ยนะคนที่กําลังเสียใจเนี่ยใครต้องการความสุขมากกว่ากับคนที่ไม่เสียใจ คนที่เสียใจเพราะฉะนั้นความทุกนั่นแหละเป็นเป็นความเป็นเหตุที่สําคัญทําให้ตัณหานี้เจริญมันสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยแห่งตัณหาทุกขเวทนาก็เป็นปัจจัยแห่งตัณหาอทุกขมสุขเวทนาคืออุเบกขาก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแห่งตัณหาเอาแล้วเวทนามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก็เพราะว่าเวทนามีผัสสะเป็น เหตุเวทนามีผัสสะเป็นสมุทยัยเวทนานี่มีผัสสะเป็นแดนเกิดถ้าไม่มีจักรคู่สัมผัสจะมีความสุขทุกเฉยๆที่มาจากทวารตามไหมไม่มีถ้าไม่มีผัสสะจะมีสุขทุกเฉยๆในทวารหูไหมไม่มีถ้าไม่มีผัสสะทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายจะมีสุขมีทุกเฉยๆมาจากทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายไหมอย่างเช่นถ้าเราหลับสนิทเนี่ยนะ หมายว่าภาษะทางตาก็ไม่มีภาษาทางหูทางจมูกหรือภาษาทางกายเนี่ยลืมไปหมดเลยเลยนะเกิดเหตุการณ์เหล่าใดขึ้นเนี่ยเราจะมีสุขมีทุกมีเฉยเฉยอะไรไหมไม่มีเพราะภาษาเนี่เป็นตัวสําคัญบางเรื่องถ้าไม่เก็บมาคิดเราจะดีใจเสียใจเฉยเฉยไหมเพราะภาษาเนี่แหละเป็นปัจจัยที่สําคัญของเวทนา ในจำนวนปัจจัยทั้งหลายอะนะแต่ไม่ใช่ว่าเวทนานี้มีภาษะเป็นปัจจัยอย่างเดียวมีปัจจัยเยอะแต่นี้ยกปัจจัยที่สําคัญมากเนี่ยนะของเวทนาแ ล, ววแล้วภาษาล่ะผมก็บกถามต่อไปว่าดูความพี่สูจนทั้งหลายก็ภาษะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุ ท, ทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก็บอกว่าภาษะนั้นมีสลายตรนะนัคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ เป็นสมุทัยภาษานั้นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นชาติเป็นแดนเกิดเพราะเพราะมีตาหูมีตานั่ยแหละจึงมีภาษะทางตามีหูนั่นแหละจึงมีภาษาทางหูมีจมูกนั่นแหละจึงมีภาษะทางจมูกมีลิ้นนั่นแหละจึงมีภาษะทางลิ้นเนี่ยนะเขบอกว่าเพราะมีตาเนี่แหละจึงมีจักขูสัมผัสเพราะมีหูนั่นแหละจึงมีโสตสัมผัสเพราะมีจมูกจึงมี คานะสัมผัสเพราะมีลิ้นจึงมีเชวหาสัมผัสเพราะมีกายจึงมีกายะสัมผัสเพราะมีใจนี่แหละจึงมีมโนสัมผัสเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นเหตุแห่งผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยนะเอาละตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้งหนี่เนี่ยมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก็บอกว่าเพราะมีนามรูปเป็นเหตุนามรูปเป็นสมุทัยนามรูปเป็นชาตินามรูปเป็นแดนเกิดของ สลายตรนะักเนี่ยนะจังเช่นจกักรปูปสาทะเนี่ยนะก็มีมหาภูตรูปขนาดนั้นแล้วก็ปัจฉาชาตปัจจเนี่ยนะนามทั้งหลายที่เป็นปัจฉาชาตปัจจัยของตาเพราะฉะนั้นทั้งนามทั้งรูปนั่นแหละเป็นปัใจจัยให้เกิดจกักขรประสาทะเนี่ยนะมหาภูตรูปเป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดจักขรประสาทะมหาภูตรูปเป็นตัวจัดแจงจกักขปูประสาทมหาภูตรูปคือดินน้ำลมไฟเป็นตัวจัดแจงโสตประสาท โซตปัสสาทมหาภูตรูปคือดินน้ำลมไฟเป็นตัวจัดแจงคานาปัสสาทะคือจมูกดิน أ, มหาภูตารูปคือดินน้ำลมไฟเป็นตัวจัดแจงลิน้นมหาภูตรูปคือดินน้ำลมไฟเป็นตัวจัดแจงกายจัดแจงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นนี่ยนะ أ, มหาภูตรูปดินน้ำลมไฟนี่แหละเป็นตัวจัดแจงหัยวัตถุทั้งหลายเพราะฉะนั้น أ, นรูป และก็นาม ค, คือภาษะเวทนาสัญญาเจตนาพวกนี้เป็นต้นนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดมานายตนะเพราะฉะนั้นนามทั้งนามทั้งรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะเอาแล้วนามรูปล่ะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปเกิดได้ยังไงกรรมชรูปเกิดจากวิญญาณเนี่ยนะ กุศลวิญญาณและอกุศลวิญญาณนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดมหาภูตรูปถ้าไม่มีกุศลจิตอกุศลจิตเป็นปัจจัยเนี่ยนะจะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจได้ไหมจะมีมหาถ้าไม่ใช่กุศลจิตหรืออกุศลจิตจะเป็นปัจจัยให้เกิดมหาภูตรูปที่เป็นเหตุให้มีตามไหม กุศลจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างเช่นพูดถึงมนุษย์เนี่ยมหากุศลจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้เกิดมหาภูตรูปที่มาแต่งให้เป็นตามหากุศลจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่งมหาภูตรูปให้ให้เป็นหูมหากุศลจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยตั้นมหาภูตรูปให้เป็นจมูกมหากุศลจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยตั้นมหาพูดให้เป็นเป็นลิ้นเป็นกาย เป็นอวัยวะส่วนต่างๆของกายวั้นกรรมะวิญญาณนั่นแหละจึงเป็นปัจจัยสําคัญของตาหูจมูกเลนกายแล้ววิบากวิญญาณเนี่ยนะเช่นปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่สําคัญของมานายตนะและปฏิสนธิวิญญาณยังเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปอื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยนะทั้งที่เป็นกรรมวิญญาณวิปากวิญญาณเป็นปัจจัยทั้งแก่นามรูป เป็นอ่ะนะวิญญาณยังเป็นปัจจัยแก่กรรมมชรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตาชรูปเป็นปัจจัยแก่อาหารชรูปด้วยนะเพราะถ้าสําคัญอย่างอาหารย่อยดีไม่ดีนั่นก็อยู่ที่จิตด้วยเหมือนกันปฏิเสธจิตไม่ได้เนี่ยนะเพราะอาหารก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญของจิตตชรูปอาหารก็เป็นปัจจัยที่สําคัญต่ออุตุชรูปในร่างกายเนี่ยนะแล้วก็ขอภัยจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยที่สําคัญกับรูปในร่างกายอย่างมากเพราะ จิตทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญของนามรูปเนี่ยนะวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญของนามรูปแล้ววิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยล่ะก็บอกสังขารคือเจตนานั่นแหละเป็นปัจจัยเพราะมีเจตนานั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเนี่ยนะเจตนาคือสังขารสังขารคือเจตนาเนี่ยนะเป็นเจตนาที่เป็นบุญบ้างเจตนาที่เป็นบุญเนี่ยนะทำให้เกิดกุศลจิต เจตนาที่เป็นบาปเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลจิตเจตนาที่เป็นวิบากเป็นกิริยานั่นแหละเป็นปัจจัยที่สําคัญของวิบากและกิริยาพันสังขารคือกรรมเนี่ยนะสังขารคือเจตนาเป็นปัจจัยปรุงแต่งอกุศลจิตเจตนาที่เป็นบาปเนี่ยปรุงแต่งอกุศลจิตเจตนาที่เป็นบุญปรุงแต่งกุศลจิตเจตนาที่เป็นฌานปรุงแต่งรูปฌานเจตนาที่เป็นอรูปฌานปรุงแต่ง อรูปปัจามจึงปรุงแต่งปฏิสนธิวิญญาณก็อยู่ที่เจตนาแล้วเจตนาเนี่ยนะเจตนาคือสังขารอันนี้เนี่ยทั้งที่เป็นปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเดชาพิสังขารสังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเป็นสมุทยัยเป็นชาติเป็นแดนเกิดก็บอกว่าอาหารทั้งหมดนี้เกิดจากอวิชชาความไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้ง อนาคตไม่รู้ทั้งบุญไม่รู้ทั้งบาปไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกว่าควรกําหนดรู้ไม่รู้สมุทัยว่าควรละไม่รู้นิโรธควรทําให้แจ้งไม่รู้อริยมรคว่าควรเจริญไม่รู้วัตตะไม่รู้วิวัตตะไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไอความไม่รู้อันนี้แหละทําให้ทํากายกรรมเป็นเหตุให้ทําวัจจิกรรมเป็นเหตุให้ทํา มนโนกรรมความไม่รู้เป็นปัจจัยให้ทำบุญบ้างความไม่รู้ก็เป็นปัจจัยให้ทำบาปบ้างไอ้นะให้ประกอบด้วยอเนนชะบ้างให้ความไม่รู้นี่แหละเป็นตัวสำคัญ